ที่ไหนอยู่ที่ไม่ไล่ตามความสุขไม่ฟุ้งไฟตะกายตนให้ผลทุกความสุขอยู่ที่ความพอใจชัยชน ถ้าผู้ฟังเคยมีอาการอย่างนี้บ้างไหมเนี่ ย, ยเช่นเวลาเราตื่นนอนมาใหม่ๆบางทีจะรู้สึกปวดศีรษะหรือมึนศีรษะซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากทางด้านร่างกายบางทีเราวันนี้อาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมพูดนี้ก็ได้คือไม่มึนศีรษะไม่ปวดศีรษะ แต่เราเคยมีอาการอย่างนี้มาก่อนผมคิดว่าอาการเกี่ยวกับเรื่องความปวดความมึนทางด้านศรีรษะเนี่ยส่วนมากจะเป็นอย่างนี้กันมากมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันบางทีอาจจะเกิดจากว่าเรามีโรคทางด้านร่างกายโรคบางอย่างนี่ทำให้เราปวดศรีรษะได้ เช่นไมเกรนหรือโรคไข้หวัดเนีย น, นี่คืมีอาการปวดศรีรษะหรือว่าเรามีอาการแก่ชราเป็นผู้สูงอายุเนี่ยมักจะมีอาการมึนศรีรษะเป็นประจำก็ไม่แปลกนะอย่าถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเป็นทุก์ด้วยหรืออาจจะเกิดจากว่าเรา นอนพักผ่อนไม่เพียงพอในแต่ละคืน น, นอนเด็กเกินไปหรือจำเป็นต้องตื่นแต่เช้าต้องรีบลุกหุงข้าวทําอาหารเพื่อตักบาตในยามเช้าหรือต้องรีบลุกรีบตื่นมาทําอาหารให้กับบุตรหลานที่จะไปโรงเรีย น, นยคือเรานอ น, อนพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือทีเกิดจากการที่เรานอนไม่หลับบางครั้งอาจจะนอนแต่หัวค่ำก็จริงอยู่แต่พอตื่นมาประมาณทักเที่ยงคืนกว่ า, วาเนี่ยมันไม่หลับแล้วตาโปรงเดี๋ยวใจมันก็คิดละแต่นีไม่หลับอันนี้คืออาการทางกายอาการประเภทเนี้มันก็ทำให้เรามุนศีษะหรือ ป, ปวดศีษะได้ถือว่าเป็นโรคทางกาย เป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปเห็นว่าเป็นเรื่องของแปลกๆหลายคนก็มีอาการเช่นนี้แต่เพียงแต่ว่าขอให้เรารู้สักหน่อยว่าโรคแบบนี้มันเกิดขึ้นที่ที่ร่างกายบาทีเราทานยาหรือเราได้พักผ่อนสักพักหนึ่งมันก็หายแลไม่น่าพิตกงังวลหรือถ้าไม่หายเราก็ไปปรึกษาคุณหมอนี่เป็นเรื่องทางกายล้วนๆเลย ใจเรานี่ยอย่าไปปวดด้วยอย่าไปมึนด้วยต้องรักษาใจเอาไว้บางท่านอาจจะมีอาการที่ว่าทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นเมื่อจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งเป็นเรื่องของกายแท้ๆแต่ใจเราเนี่มันหงุดหงิดทุกข์ไปถึงใจปวดศีรษะเรื่องของร่างกายแต่มาปวดที่ใจด้วยเนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรม ถ้าเราไปหงุดหงิดไปอึดอัดขัดเคืองนี่ทำไมมันจะต้องปวดด้วยทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ไอ้โรคแบบนี้เมื่อไรมันจะหายสักทีเนี่ ย, เ, ยเราไปบังคับไปฝืนกดธรรมชาติบางทีมันทําให้โรคภัยเนี่ยมันเกิดอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็ได้นะถ้าใจเราไปหงุดหงิดด้วยแต่ที่เราจะเป็นทุกข์แค่หนึ่งเดียวคือเฉพาะร่างกายแต่กลับกลายเป็น ทุกสเลยคือจิตใจด้วยทุกทั้งกายทุกทั้งใจเนี่ยเราก็ยังไม่ฉลาดยังไม่ฉลาดซึ่งบางทีร่างกายเนี่ยเราเลือกไม่ได้หรอกนี่มันเป็นมันอย่างนั้นเองเดี๋ย ว, ว่าแต่เราเลยคนที่มีบุญวาสนาบารมีมีอํานาจมียศถาบรรดาศักดิ์ร่ำรวยทรัพย์สิ็นกินทองก็ก็มีอาการทางกายอย่างนี้แหละ เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของกายก็เป็นอย่างนั้นเององค์สมเด็จพระ ส, สัมมาสามัมพุทธเจ้าก็มีอาการทุกขเวทนาทางกายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรารักษาใจเราอย่าให้ใจเราต้องเป็นทุกข์ด้วยเราเลือกไม่ได้ทางด้านร่างกายแต่เราเลือกทางด้านจิตใจได้นี่คือการมีสติ ดูลงไปที่จิตใจของเรามันเป็นการฝึกดูจิตได้เหมือนกันนะการดูจิตเนี่ยอาจจะดูที่ทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาก็ได้เพราะว่าเป็นอาการของกายแต่ว่ารับรู้ได้ในทางจิตใจบางทีเราดูลงไปที่จิตเมื่อเวลาร่างกายมันเกิดทุกขเวทนาถ้าดูที่จิตแล้วเดียจิตมันหลุดพ้นออกมาได้ จากทุกขเวทนาทางกายจิตมันก็สบายถ้าเราดูเป็นนะคือเราไม่ไปยุ่งกับเวทนาทนางร่างกายสักเรารักษาก็รักษาไปตามหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยหน้าที่เขาจะหายหรือไม่หายก็เป็นเรื่องของกายแต่เรามาดูที่จิตเราสิใจเราทุกตามด้วยไหมถ้าใจเราไม่ทุกแล้วก็มันก็พ้นละบางทีใจเรามันสบาย เรารู้เท่าทันในอาการของกายแนละ้วจิตมันสบายมันเกิดสุขเวทนาทางจิตอีกแล้วนี่คืออาการของการดูจิตจิตที่เป็นสุขแต่เราก็ไปยึดติดไม่ได้นะความสุขมันเกิดขึ้นแล้วก็รับรู้ไว้รับรู้เอาไว้ถ้าเราไปติดในสุขในทางจิตแล้วก็เกช่นมีปีติมีความพอพอใจ เราไปติดไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นตัวเราของเราแล้วกเราก็จะเป็นทุกข์เมื่อเวลาจิตมันไม่มีความสุขจิตเราก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์มันมีมวามไม่เที่ยงอยู่ในตัวอยู่แล้วทั้งสองอย่างเนี่ยให้เรารู้เท่าทันแล้วก็อย่าไปยึดติดมันที่จริงทุกขเวทนาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่กายก็ดีที่จิตก็ดี เราควรจะขอบคุณเขานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาแสดงความจริงของเขาให้เรารู้อ๋อร่างกายนี่มันก็เป็นทุกอย่างนี้เองถ้าเรารู้เท่าทันแบบเป็นธรรมดาแล้วก็ความที่เป็นธรรมดาเนี่ยจะทําให้เราเกิดปัญญาไม่มีใครที่จะปื้นกฎธรรมชาติกฎธรรมดาของร่างกายไปได้ เพราะเขามีความทุกข์เป็นอาชีพของร่างกายาอาชีพของกายเนี่ยมีความทุกข์เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไปบังคับบัญชาไนดะ้แต่เราสามารถช่วยแก้ไขบรรเทาเบาบางจากทุกข์มากเป็นทุกข์น้อยจากทุกข์น้อยเป็นไม่ทุกข์ก็ได้สาระกายนะแต่ก็ได้ชั่วคราวนะเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกะ เราลองมีสติตามรู้บ่อยๆเราจะเข้าใจในอาการของกายและจิตใจเราจะดีด้วยมันเกิดปัญญาในทางจิตบาที่ปล่อยวางกายไปในตัวเลยอาศัยเขาทำหน้าที่ดูแลเขาตามสมควรแต่ใจเราไม่เป็นทุกข์นี่แหละคือเวนทนาทางด้านร่างกาย ก, ก็ดีหรือเวนทนาทานจิตใจก็ดีจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา ม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายและจิตใจเนี่ยเราก็เอามาเจริญสติได้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูจิตเหมือนกันเป็นส่วนของเวทนาเนี่ยอาการมึนศีษะเนี่ยมันเป็นทางด้านร่างกายแต่บางทีเกิดจากจิตใจร่วมด้วยก็ได้นะในจิตใจเราเนี่ยมันก็นําความมึนความปวดมาสู่ร่างกายได้เหมือนกัน พรเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยบางทีมันเป็นสาเหตุเรื่องที่เกิดขึ้นจากในอดีตที่มันผ่านไปนานแล้วมันเป็นสิ่งที่ประทับใจเรายิ่งเหตุการณ์ต่างๆบางทีมันนึกขึ้นมาแล้วแหมมันคนหัวลุกในปัจจุบันก็ได้นะไอเราเนี่ยผ่านเหตุการณ์นั้นมันได้อย่างไร หรืเกี่ยวกับเรื่องคนที่เราประทับใจทั้งด้านบวกและด้านลบมันมีผลทําให้ร่างกายเราเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปล ง, ปลงเป็นทุกขเวทนาปวดศีรษะมึนศีรษะไปได้คือคนเราเนี่ยจะมีจุดอ่อนในเรื่องของความคิด <c oughs> เคยมีไหมจุดอ่อนเรื่องความคิดคือพอเราคิดเรื่องนิทิไรแล้วก็มา มันมาทำให้เราต้องวุ่นวายทุกทีเคยไนหะเรื่องบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยเราคิดเราเลืกขึ้นมาเนลยจิตใจเราต้องวุ่นวายทุกทีต้องมีสติระวังให้ดีพอมันเริ่มก่อตัวจะคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนยาหมดอย่าเผลอคิดตามบางทีเรื่องที่เป็นเรื่องที่สนุกสนานนะเรื่องที่มีความสุขที่มันผ่านมาในอดีตพอเราคิดไปเนี่ยใหม่ๆก็ทําท่าจะดีหรอ แต่ถ้าเราเผลอพลัดหลงจิตใจเราไปในอดีตแล้วก็ใหม่ๆจะมีความสุขแล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีความทุกข์ตามมาทันทีเลยเคยไหมพอเริ่มคิดเรื่แบบมันจะเริ่มสนุกละเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีที่เขาเรียกว่าอะไรขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอหลาลงใบกลายเป็นบ้องกัญชามีปัญหาแล้วเพราะเรื่องในอดีตเนี่ย ถ้ามันเริ่มกอดตัวขึ้นล้วก็ต้องรีบเปลี่ยนยาบดะอย่าไปจมอยู่กับชีวิตในอดีตชีวิตเราจะไม่ก้าวหน้ามันจะถอยหลังเข้าคลองมันจะเหมือนกับต้นไม้ที่มันยืนตายนิ่งอยู่ที่มันไม่พัฒนาแล้วเรื่องอดีตคิดได้แต่คิดด้วยสติแล้วก็วางเขาซะแล้วยิ่งเรื่องอนาคตเนี่ยเราต้องยิ่งระวังให้ดีบางครั้งเรื่องในอนาคตเนี่ย ทำเราต้องเหน็ดเหนื่อยพอเราวิ่งไล่คว้าแต่อนาคตเราจะเหน็ดเหนื่อยเราพยายามดึงจิตดึงใจเราอยู่กับปัจจุบันให้มากๆเวลาของปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลาที่ดีที่สุดไม่มีเวลาไหนจะดีเท่าเวลาที่อยู่กับปัจจุบันเราจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ปัจจุบัน เราจะหายจากการปวดศรีรษะมุนศรีรษะได้เมื่ออยู่กับปัจจุบันไม่ได้อยู่กับความคิดในอดีตในอนาคตปัจจุบันเนี่ยเราจะอยู่อย่างไรบาที่เราเผลอคิดเป็นอดีตในอนาคตแล้วเราจะกลับมาอยู่ปัจจุบันได้อย่างไรอันนี้ไม่ยากเราอย่าลืมฐานที่ตั้งหลักใหญ่ๆของเราคือเส้นทางของเราคือเรากลับมารู้ที่กาย กายเนี่ยมันเป็นเรื่องปัจจุบันดังนั้นรู้ที่กายรู้ที่การเคลื่อนไหวจับหลักตรงนี้ให้ได้ถ้ารู้ที่กายเมื่อไหร่แล้วก็ชีวิตอยู่กับปัจจุบันทันทีเลยอดีตมันก็ถอยหลังเข้าคลองอนาคตก็เหนื่อยปัจจุบันนี่แหละเป็นเวลาที่ดีที่สุดไม่เป็นโรคอิดโรคประสาทจิตใจจะสดใสเบิกบานด้วยประการาชนี